ง่ายอะไรต่างๆมันไม่ไกระทุกข์เทือนถึงแผ่นดิ น, นเวลาฝนตกมันมาถูกป่าไม้า่อยๆหยอดลงมาหยอดลงมาหยอดลงมาหยอดลงไปก็ถึงใบตองมันก็ซึมลงไปจนแบงอันนี้ธรรมชาติจักก่อนไม่เคยนหน้าไหลแล้วก็ป่ากุฎมสมบูรณ์มีทุกอย่างจดสาระสิ่งบรรยากาศ แม่แรงอยู่ในที่นี่กลางคืนล้องไม่รู้จะฟังเสียงอะไรเสยียงางเสียงเสือเสียงช้างเสียงหนีกัดกันเสียงนกเสียงเม่นบางทีมันบอกเราก็ากับว่าบางทีก็ค่ากว่ามันเรียกร้องเราค่ากัว่าหลวงพ่อหลวงพ่อแจ้งแล้วหลวงพ่อแจ้งแล้ว <c oughs> ถ้าฟังไม่ดีนะ แล้วฟังมาดีก็นึกว่าคนวัดปลุกให้ตื่นนั่นไม่ใช่เป็นนกอนี่ก็มีเสียงอะไรเยอะๆบางทีใต้กติกี้เสียงรถมอใช้มาจอดตเดอดเดือดอย่านี้หรว่ารถมาจากไหนตั้งแต่เราเดินมานี่ไม่เคยเห็นรถเลยก็อปีนเขาขึ้นมาอรถจริงหรือเปล่าหรือว่าม็นเป็นอะไรฟังไปฟังมาไม่เข้าใจ ก็เลย ค, ยค่อยๆสอ่องไปใต้ถุนปกติก็เห็นเล่นเม่นเหมือนสันความดังเหมือนรถมาใส่ก็เลยเออได้ภาพหลายอย่างเสียงช่างเสียงช่างมาเจอกันอ่ะเอ๊ะเนี่ยแล้วก็ถ้ามาใกล้เราเราก็มีโบสตัดไม้ไผ่เป็นกระบอกมาว่ต่อบโบสโอ้ โอ้โออยมันเงียไปไปล่องอยู่ที่ไกลๆออกไปนะบางทีก็เตรียมไว้เอาผ้าขาดๆบางฟันตะเกียวหมือนเสือกเอาจุ่นมันก้ดนไว้ถ้ามากใกล้ๆจะหยุดไปแล้วโยนลงหน้าต่างถอยเช้ามันกลัวแสงไฟไม้ใช่แฝดแต่นี่นะถ้าแฝดไม่กลัวนะไม่กเกลียดถ้า <c> น <oughs> แสงไฟไม่เป็นไรไฟธรรมดาไฟฉายไม่ได้นะ ต้องแสงไปยิงได้มนีกัดกันตลอดคืนตูกลางบ้างป่าเหินเทินบ้างขาเพื่งบ้างตูสามชั้นบ้างสันสูงบ้างยังมีกัดกันบางที่ชาวบ้านก็ยิงปืนทางบ้านนี่ก็ยิงปืนมันก็ยิงปืนเพราะว่าพวกลูกลูเขานอนไม่หลับเขากลัว พอยิงฉันปืนนี่ผมก็เงียบไปแล้วกัดกันดีกก็ยิงปืนเด็กเสียงปืนจอลงตาจำได้นะเสือลังตาเล็กกว่าเสือเจ้าของบ้านตุน่นนงถ้าทางเกียนผู้เสาะถ้าเวอร์แล้วก็บ้านนอนชี้เมาเสียงปืนคนเราเสียงกันนะ ฟังบางทีส่ฟังเสียงปืนเออเสียงนี่ยังอยู่เสียงนี่ยังอยู่เสียงนี่ยังอยู่เสียงนี่สุดยอดดีนะนีชีวิตของเราเขียยเข้ากนที่นะกลางคืนกลางวันกลางวันก็มีเสียงโสโโน โ, โซนโโนหายไปแล้วเรื่หายไปแล้วอย่างนโนกก็หายไปแล้วเรื่อยแล้วก็สัมปัดเดินจากวัดนี้ไปภูเขอทองมีสองวัดนะ เดินม่นค่อยถูกอ่ะอยังแดดตอนเมื่อไงเต็มไปหมดเลยเป็นทางลากทรงอย่างลากทรงทางรถยนตมันหล่มดินแห้งไม่ใช่หล่มดินเปียกเวลารถวิ่งไปมันดินมันพผขึ้นเราดูว่ามันเรียบนะเดินไปหนงบุมบ่มบอมบอมนะอ่าจ้องต้องเหล็กคางเข่าเปล่าสิเจ๊งวิ่งผรานควางวิ่งผ่านบ้าง กาวหน้าก็เลยสนุกดีเดินเดินทุกวันต่ว่าได้นับจากนี่ไปลงเก้าแรกที่สลาไก่ไปเหยียบตูววัดภูเขาทองห้าพันสามร้อยขัวเก้าก็เดินพอดีพอดีนะห้าพันสามรอยขัวเก้าถ้าวันไหนฝนตกที่โคนที่ตมมากก็อาจจะได้มากกว่านี้ก็เดินธรรมดาเลยห้าพันขัวเก้า เดินทุกวันทุกวันพุ่นเคยกับที่นี่บ้าที่จุดเลยเหมนกับว่าต้มไม้ต้นใหญ่ถึงว่าปู่ของเราต้นไม้ต้นประนอดเล็กลงมาก็ถือว่าพ่อแม่ของเราต้นใดที่มันใหญ่พอสมควรเรียกว่าป้าลงุงหรือเพื่อนเล็กลงมาก็ถือว่าน้องเด็ก <c> น <oughs> ี่กับลูกไปเลย <c oughs> หลานไปเลย <c oughs> อไม่มีความสุขมากสมัยก่อนนะเวลาปวดท้องโบกแหนงเจ็บแหนงไม่เคี้ยวกินเวลาปวดท้องเอาฝอยลมหล่นลงมาจากต้นชาดมาต้มกินหายเด๋ยนี้แนงก็หมดไปฝอยลมก็หมดไปเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฝอยลมอ่ะเล่าเอ ติกี้จังหลวงพ่อว่าวมิป่าไม่ดวงนามิเอ๋กว่งมิเกงครับไอเป็นอย่างมันจังเบิดนะหลวงพ่อซอยว่าฟัง ม, มันค่อยๆ<อ>เบิดโออย่างเยาว์ก่อนเยาวกอนอยู่นี่นะมิส ม, มท่านล่องเรือชงอายุก่อนโน่ต้องหลายปีนะที่นี่เป็นดงป่าไม่มีราคาต่เคียนจองไม่ยางไม่กระโยงไมอะไรต่างๆทั้งนั้น ก็ลงเลื่อยมอสภามสมาทานมนสมาเทานผู้คนลงเนี่ยสมาท่านก็ตัดใหม่เป็นหลายปีนะเดี๋ยวนี้มันก็ต้นใหม่ที่มันล่มลงอ่ะลดกแรแลงก็ไปบางที่บุกเบิกสักลาดตัดใหม่ต้นนึงบางมันตัดต้นเดียวมันตายเปร้อยร้อยมันก็เป็นทางไปล่มไปนาแลงเขาก็พวกผ่านปลามากกับจุดไว้แตาปลา เอาวามกับใหมามใหม่แล้วก็ปลูกขากก้าวปลูกฟักฟปลูกฟักทองปลูกแตงปลูกพริกปลูกพริกสำหรับไวท์ล่ากวางปูกไว้ตรงไหนข้ามก็มาดักตรงนั้นกวางไม่ชอบก็ยิงพิธีพานหาจินน่ะก็เลยพานก็ปลูกข้าวปูกของลูกหาบลงไปหาบลงไป เอาไปมาไม่ต้องหาลงไปสร้างบ้านที่นี่ให้ลูกหลานขึ้นมาหาปอาเขามาปลูกเขาปลนะูกได้เขาได้น้ำลูกกหลานมาเชียวซอยตีเขากุ้งเขาเนี่ยไปว่ามันน้อยลนะกองกองด้วยเขาด้วยน้ำแตคนเกิดมาอยู่น้ว้วมาน้ำลงเลยมามเปิเลยมาหนล้ลงเลยลงเลยตัดน่อย ยังท่างในบัดท่าเนี่ยโมแม่จัดเด้เล่องเลยก็ตัดมาก่อนเด้เอานางน้ำท่างล่องเลยเด้โมแม่ท้อตัดเด้อถนทนโทดนตั้งนาแรงก็เอาเขาเอาของลงไปได้รถมันล่งไปได้จะล่องใช้พ่วงจากนี้ไปหาสิบหกสิบกิโลก็หาผลนี่มากไปเลยนี่คือ อดีตว่าเพนันแล้วเพื่อนมาปลูกอย่างแนครับตอนสมัยแรกๆครับเพ่นมาเพื่อนมาปลูกมาเฮ็ดอย่างก้อนก้อนที่หอดเป็นบ้านเป็นเมืองปัจจุบันนี้ยเป็นวัดอ่ะก้อนเป็นชุมชนเป็นอย่างไรครับก็จะเป็น่านหรือเมืองกันนี่แหละสาเหตุนายพทยมาอยู่คนก็ว่าปลูกกลีบปลูกเขือปลูกแป้งแต่ตัวมาปลูกเขาค้นก็มาอุ้งอ้งอยู่วนมากเป็นญาติของเสืออุ้ว่าอยู่เนี่ยว่าเป็นวเปนธรรมดา ถึงกับว่ามาอยู่ในโด่งในบารลบเละเขาอยู่เรากับว่าปลูกทิ้งปลูกของให้ลูกหลานมาลงเไยหลายปีมากก็ยิ่ได้ลงไปก็ได้หอดซื้อรถยนต์ห่แล้วก็รวยเลยขายทีขายทา่า <c oughs> อันนี้อันนี้กับอ่อมีล่ลราเดินนะบอมีเสือแเรามีแต่คนดีๆเพราะนั่นก็นี่แหละกท็ทีเป็นบ้านเป็นเมืองกันมากนะม่านนะํานตรงเลยเมื่อนําอ่า โจผู้ไหลก็ว่าได้มาเป็นผู้มาตังค์ลงละบ้านแถวเนี่ยแล้วเราตอนสมัยเ ข, า, ขาเฮ็ดวัดสุกโตหยหม้นะ่ครับวันมันหลวงพ่อเฮ็ดจังใดครับว่ามันคือกันกันไว้จน เ, เหลือปลาจนเป็นตัวซีครับโอ้อแบบนี้นี่เพื่อนฟนี่เพื่อน <laughs> อนาอายุเยอะ ก, กันเวลาปีห้าร้อยสิบเอ็ด่ะห <laughs> ลวพ่วันท่าเดินขึ้นเขาดูนี่ <laughs> ผมหลวงพ่อเนี่ย <laughs> ก็เดินไปเชียงใหม่ เดิมทุดงออกพ้นชานแล้วนานี้ล้วเอิ่มขึ้นมาอิเขาเอาค้นขึ้นมาอยู่หลังเขาลุกนี้กับใกล้ๆบ้บบานเจ้าของแต่เป็นน้มกันนั่นกัเคยเมาน้องม่อยู่เราว่าอยินี้เคมาอยู่ก็เลยขึ้นมาเบิงมาดูก็อาจโ ม, มเห็นพระเรากมามุ่นเข้าไปในบ้านแต่ น, บ, นบ้านบอกวาอยากได้วัดป่อมีพระมีสงฆ์มาอยู่ทั้งบุญทั้งท่านแน่ เดีว่ากันเล่นๆ่ะถ้าเดยกจะหารอ ย, ยอายุเอาไว้มาชี้ให้ตัวนี้ยหารอยอะไร ป, ป้ากันสารวเวเ ก, เเ ก, กันนะชาวสมัยหลังได้เป็นวัดกันน่เรามีอุปสรรคปะครับเห็นไหมมีอุปสรรคว่สมัยตะกี้ว่าเออ เ, อเอจ้าหน้าที่รัฐก็เจ้าว่าให้หรือยังหนีไม่ได้ว <S <S แต่แกอนน่อนเนาะพวกว่ า, มาไม่มาตีกาไว้ก่อนแล้วมาอยู่ที่หลังเขา ว่นนี้มันเขาซักตัดบันเนี่ยไม่เขาตีกาไว้แล้วขอไปก็ว่าได้มันขึ้นทะเบียนมันไปแล้วเสียภาษีไปแล้วพอเรามาตัดเนี่ยพอเรามาตัดแหลกบัดท่างเกาิีมาได้เลยหลงไปเหมดเลยหนีไปอยู่ผู้หลงเั็นไหมบัดวันนี้ก็ได้กลับเข้หม่อีกเลยมันมีปัญหาหลายเรงปลาใหม่แรื่งตัดใหม่แต่เราเห็นใหม่มันตกตัดทตกคน อกอกกลงเลยต่เรกเจ้าบ้านเจ้ามือมัดจับสองที่ดินตาใหม่กว่านวเน่นนจังจังพื้นที่โดยรอบขาเจ้าปลูกยูคาเป็นยังวัดขึ้นวัตถุยูคาครับให้ให้มองอื่นข้าเจ้านี่ขึ้นถือปลูกยูคาใส่เป็นอยังวัดสุกัโตขึ้นวัตถปลูกยูาคาทเขาก็สู้กันเย้เดินเขาไปไหวเดินามันอยากเดินราเขาเข้ารขาี เอาอเผลอเจอบุกยุค่าไปจริรักษาไปให้ไปปลูกยุค่าก็ได้แต่ว่านี่เอาไว้ที่ไหนไม่ธรรมชาติเป็นกฟ้าให้กันบบเลยทำร้ายก็คอยแห่เหตุการณ์ผลดอกโบเลยแข่งเก่าใช่เขาขอไว้ให้สัตว์ส า, าราจิ้มันอยู่ให้ได้ อ, อาศัยแน่ขอไว้ก็ได้มากไหลไก่ลูกเล่่มก็มา นอกจากว่าใหม่ก็มาเช้าวาน ก, ล ก, ลก็โรคเ่มกว่าจนล้มความแทงหน่อเป็นงอแกงองเป็นอย่ ง, งเงีมันขอขึ้นหม <c oughs> อวก็จะเป็นว่าคืมาเนี่ยทั้งนี้ก็ตใหม่เอาไปเป็นหาิปไรนะเช้าวานก็วาลุงพอวาลุงพอยกทีวัดให้ปาใหม่มันบม่มโยกให้เดีมีอำนาจกว่าขอขึ้นกรบบรปีรองแพ่งขอขึ้นแหนบวันไหนจเอาแพ่งซื้อไป ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเห็นง้อบางเฉียงง้อไปอนี่ปัญหาหลไรก็เลยเห็นปัญหานีแหละมาจะมาอยู่สงบสงบเลยมันบ่ได้อยู่สงบเลยปะเนี่ยมันเลยปัญหาอ้าวโอนหล่อจัดตัดตอนใหม่มายิ่งกวางตัวหน า, ต, าตัวตากล้องพอมีกวางโตดตันั่งเรเข้ามาบ้าน ตัวยิ่งกับวัตถุที่เดีวมันก็นดังไปตัวแดีวเนี่นยนหนได้ผ้าทั้งลมขึ้นมา้า่ั้หรอเกิดหน้ากันนปปะปลูกผัวพริกนี่เหรอรอบวัดเนี่ยต้านอกขวงตัวเองก็ออกไปกินผัวพริกเขยิ่งตาเขาเฟ้ปวดลงพอดีบนไหลอักขรวงพอน่ะ ล, ม, ล, <c oughs> ลมได้แล้วเว่ยถามไม่ใังไหนยังลมได้เมื่อขอปู่ย่าเนาะเสียปู่ญ่าสิไดร็ดวเสี ปูยังไต้องมรันเนี่ยรผีเปูยาเดลไปบก็ปูยามอกก็เราตอนไปนั่ก็แข่กวงไอฟ้าเก่เอายากอบากอบลรกกอกเดียวให้กวงเขตัวเลยบ่มาปูยาแบบนั้นปูยังไงที่แท้จริงมิสิม่ทํามันก็หลับกันแบบเยยากับตใหม่เลยยากับสัตว์สาาสิ เอ้ยว่าวยิ้สงบสงบปัง่ะไรว่าาแรงไฟไหม้ปลาเก่นมากต้องมาปลุกไอ้ที่ลุงพอ่อคล้ายๆกับว่าเบื้องอน้าคตไหวว่าไอ้ผู้แล่นค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าบอ่อใดดูแลรักษามันที่ดินที่กลายเป็นดินแดงสัดอยู่ไดไมิตรอวดอยู่ใดมันไปได้แล้วทําน่ไา ไ, ไปแล้วทําน่าไปแล้ ว, ลวมันก็ถูกมาเบิ้ลอ๋อ มันเกิดมาเพิ่มข้อยู่พ่ามันเด็กน้อยเห็นที่มันเป็นมาแล้วอันป้าใหม่ที่มันถูกทำลายไปไนี่ยไม่เป็นยังไงผลกระทบจังไงเห็นมาแล้วบอว่าเห้องอบต่ำวิชาอากาศบอลเลี้ยนนี่อ่งเห็นเลยมาชาติมันถูกทำลายมันกระกระโตกกระเทือนเลยเอยแยงชาวบ้านไว้เขายิงปืนขามือเขาหน่ะเขาชีตาสตอร์ใหม่ห้องอบให้เขาตัดจนเขาไม่าสียขาดเลย หลวงพ่อจะอยู่กับปลาหรือจะอยู่กับคุณอยู่กับคนไก่คนเขาหาจีนไอ้อยู่กับปลาไปอยู่กับปลาพุ่นอย่าไปอยู่กับคุคนเขาเกิดเมื่อไหร่ต้นไม้หลวงพ่ อ, พอปลูกมันเกิดกี่ว่าเขาจากกัดเทศบ้านท้เนี่เขาเขาตัดโลดตัดสาะ้ะเจงหลวงพ่อปลดเลี้ยงไว้เขาหาจีนหามทั้งยั ก็ว่าปากปวดโตพระ่บอกกันวเาว่ า, า, ม, ดดว ม, า, ามันก็คอยตัวที่เป็นล้งพ่อตัวที่เป็นรู้ก็ตัว่าอยู่เนี้ยรอดโลกเราตายตายไปแล้วมันขึ้นมาจะโนดพาะไปรักษาด้วยนะเนี่ยว่านยากน้ำรักษาบาดปูกต้นไม้โอ้ยดับไฟฟ่าเดี๋ยวนี้จะมาแล้วไฟมอดแล้วอำเมอตัดดีแล้ว เห็นคุค้นคาแล้วพื้นโดเดี่ยวกับมาขอด้ามบากจกกับมาขอเดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นคุค้นคาเดี๋ยวนี้เบี้ยเฮ็ดละงอเจ็บปดตีนเงี้ยงบอกไหมเพื่อนเนี่ก็เลยมก็ถูกลงพอบวดเดี๋ยวนี้มีคนย่มหลับแต่ว่าตัวที่ถึงปันนี้โบแมนตีมาโทานี่เฮ็ดบาดุนแอ้ว เขียนป้ายตั้งตจขึ้นเขาขึ้นมาให้นักเรียนตัวหนึ่งตัวสองม่อ 2, มเขียนข้าขวนญตนใหม่พ่อจ๋าอย่ายตัดตนไม้หนูเลยเด็กชายนั่นโรงเรียนต น, นันตตน่นติดป้ายมากอ่านังวันเด็กติดเลยห้ามล่าจัดตนต้นไม้เขตอภัยทานเขาปืนยิ่งป้ายเลยอยู่เลยแผ่นสังสีปล่อยแผ่แผนเพจจากโรงพิมพ์อ๋อเขียนประทับ ตีตั้งตอนใหม่เอาวัดบ่ายห้ามบ้ายละสัตว์ตอนใหม่ไม่ต้งห้อยปืนป่านนั้นจู้หนูเบิดความสามารถเฮ็ดมาเบิดเฮ็ดจัเดกเ็ดเบิดว่ากวกบตั้งกรรมการกี่มากี่ตั้งเบอร์อยู่รุดถอยเริ่มมามีธรรมยาตาเลยงานชินสุดท้ายเฮ็ดมาเบิดแล้วว่ะนะ อันตรมญาตาในวารคิดว่ที่ที่บอกเราก็เปากล้องไปคนดูหอยม่วงจิตตวันตกอนดอกดู้ทตเหนอจิตใต้ดูมันขึ้นาบอไปเราก็ให้ฟังมันเป็นผู้ของอรรน์ยุหลานเอาอย่งเขาชีวิตยังได้มาฟ่งดูมาฟังเสกันดูเขาชีวิจยังได้ละอายุว่านนอกเลยมันสันๆอันบ่อก็กันดูแลที่ราบสูงมัน น้ำไหลลงหัวมันตะกอนทอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทอนปู ม, มือเพชรจังไดฮดจะิยูไดเปนดิฟ้าไหมลองไห้แม่น้ำลมป่วยเป็นดินแต่ว่าพาดอากาศเป็นพิษเนี่ยเพชรจังใดเขาผู้เยเป็นปเพชจังสี่เาเอง <c oughs> แต่ก็นาเสียต้องประชดอไปต้องฉาดสิ่งลงโทษเขาเนอะ มันก็ม่นแล้วเดี๋ยวนี้ฝนตกเม็ดหนึ่งไหลเม็ดหนึ่งแต่ก่อนฝนตกเบิดมือเบิ้ขึ้นบอไม่เห็นน้าไหลบ่แ่างดินตายมันไม่ค่อยตายอ ะ, อะโอใส่ปุ๋ยเช่อมีฉีดยากำมกโซนดินมันก็นมีชีวิตพอถูกสารนี้ก็บแบบ ม, มตายเมื่อมันตายมันบ่ดูดซึมนาม้า เมื่อมาลูเรื่องน้ำ ม, มันกับมันตายมันบม่มีชีวิตเนะี่ยแล้วก็ปลูกมันปลูกอย่งกระปุกจีนเดี๋ยวนี้นะหลงตาปลูกวปาปีทีพพ่แนะ็กไถปลาพงไปอย่างข้าวอ่อนปลูกกระแตงซื้อกระแตงเป็นพันๆแตหม่แตงไทยก่อนเไปบอกแคนะ่ว่ามาเอารถมาขนกระแตงแล้วปลูกไว้ได้แล้วที่ไหนได้ ขื่นมากคอยห่อแพ้หนึ่งบกแตงพวกผัวดจินสองฟักทองพวกผัวดิินสามมะละกอพวกผัวดจินแนวที่พวกผัวดหศนมัาไปร้ายแล้วเขาผมมีจักตนเยันแท่งหลังเขาเ่ะแล้วก็นาเขาเน่ยผัวหัวนะวมใช่มันบอมันก้อยเนี่ยบอมันแฟงฉันบอมันอุรมก็ตีมันจาเป็นทั้งเมตตาน่ะ จัดจังเบอกว่าหลวงพ่องบงบเศ้าๆมันก็งมเศร้าๆ่ามันสิบปอยกันเต็มนี่เลยมีท่ามิจตาแล้วที่หลวงพ่อบอกว่างานหลวงพ่อที่เหตุมาล้มเหลวหลวงพ่อว่าลมเหลวเป็นยังไงครับอยว่าวู้ปังงานเหตุมาอยู่นี่สามสี่สิบปีเล่มเหลวหมดสอนค้น ต้งใจกมาสอ น, น, านก้นกว่นกัยังผิด ก, กันทะเลกันกินเหลาเม่าอยากานเอาละปลาใหม่บดผู้ข่ง่นหมดแล้วอ่านักษาเสร็จบดชุด่โตลยว่ม่กวงไม่ฟันชักโตนั่งเติมูตัวงานเลยหั <c oughs> งงจะงาม้วกินนั่นย่งอยู่อ่าย่งตอนนี้แห <c oughs> ละน้อยน่าบดได้แล้วล่มเหลียวบด หงพอว่าหลวงพ่อพลดมเร็วแม้นจิิงที่หลวงพ่อรอรักษามันเบิดไปว่ามันก็เปิดของห้องเป็นกงเปิดของอื่นนั่งบวชเลยบ่มานั่งบวชบกของหมอบ่นเรวจนเขาสียข่าตายนะอันนี้มันล่มเร็วได้ว่าหลวงพ่อพลดมเร็วว่ามันร่มเร็วนะอันนี้คือของจริงจช่ เราจางงานธรรมญาติตานีา่ที่จัดมาหลวงพ่อว่ า, าต้องการให้ให้ทายาขเขาจะเอาได้ฮู้อันใดแน่ท้นะบบายเขาเรียนดูให้มีวนเรียนบึงอดีตทีิ่านมาชี้แจงเขาเห็นบางคนเขาบอกไมจักเจอทั้งมีจากเท่ากับมีทุกระดับบอลไปต่ประกาศโชยหน้ามีสารสุกปิดม้ตรวจเลือดมีตรวจสืบสายนาม ซุมล่มเดือกรักนกไม่ใช่เป็นหัวหน้ า, าออกเป็นไหนหนํามัมนบะมีแม่งกองแยงมันบะมีแม่งหลังห้มันบะมีแม่งขั้นโซ่หรือกอนหน่ำ ม, มีแม่งขั้นโซ่ไม่แม่งหลงังห้ำมีสัตว์หน่ำที่กินได้เดี๋ยวนี้มีจฉาหอนอแล้ว <c oughs> แปลงว่าหน่ำ ม, มันเชื้อหรอโบต้องไปบอกว่าน้ํามันเชียอเพต้องไปบอก ไอเบื้องน้เาเมอกสัตว์เบน้งน้าเกิดมาลูกมันกินได้จากยางหมดเลยกินปาก็ไม่พิษแล้วลูปปกป่าเบิรไปแล้วตอนเบิจะเบิดถอดข้นห่ด่ะแล้วิอยางก็มักโซนน่ะพิจามาแร่งยี่สิบเอร์เซนมันจะฉีบไ้ในดินอีกยี่สบเปอร์เซมันจะเตนะงมเมเไมไว้ใน อ, อากาศยี่สิเปอร์เีลงไปชูน้ำยี่สิเปอร์เนีกยี่สิเปอร์เนมหาห ก็ยังบวกตัวเลือดเนี่ยเลือดบวกกันแปดสิบเปอร์เซนหลังเขานะะแนนบอกเาไปปีที่1ิแลรวปีเดียแปดสิเอร์ซนเลยเลือดบวกมีสารผีตตข้างนาตุกงใ่นะอนู้ด้จเป็นผู้บว่ลงนี่อ่อันล็องพ่อผูเบว้ลับฉีกอกแล้วโสดตาเขาเั่งเบ็ดบานเ <laughs> บ็ดนนะ <laughs> น, น่างานะหัวจักล้องพ่อในน้าสวนสวนทางกับเขา เข า, เาพ่ได้สัตว์ทาบพอคว่ำดีเขาเขาสวนกับพ่อหกทะเลาะกันใ่เาาจ้าเรื่องของจักกันเือเท้าเรื่องน้ำแล้วมาเทาเอา้เอสมัยด็กี้กับสมัยนี้มันต่างกันหลายวะครับห่ ว, ว, วยน้ำแล้วมาเท้าห่วยน้ำยังเห็นหนะไม่ใช่ใส่เบ็ดหนึ่งหลังได้หนึ่งตัวสองลงองได้สองตัวสองพอไปบินทาบาทบ้านคุณโมงแต่ก่อนบ้านไม่พมิดเล เดี๋ยวเห็นกุ้งไปจับกุ้งมะปอยในวัดอยู่กล่นหวยแล้วโดดลงไปสิบว่าสินั่ามาตื่นเพียพียเพื่อป่าเปียกฮ่าาก็มารมไปจับพวกกุ้งใส่มาในฝาบาทดาวมาปอยไหววัดเน่ยกุ้งกำมั้งตัวตกุ้งซีตัวหตัวแกงยิ้มแต่ไม่ก็เดี๋ยวนี้มัมีจักตัวเลยกุ้งกล้งกำตัวดำๆเบิแล้วก็มีแล้ว เนี่ยหอยวัดเนี่ยอันหลังพอก่อเชี่ปรับปรุงวัดเนี่ยอันมันน้ำ ม, มันขาดลาแล้ว嘛หลังพอลงไปจกตมใมเทน้ำเนี่ยขั้นบันเลยทัม้มดเนี่ยเป็นฟาร์มกันเลยเนี่ยน่ะมันเช่จ้างได้น้ำอาบได้บ่อได้เนี่ยกินได้บ่อทุกคนกอกกินปมป ม, มเดี๋ยวนี้กินอะไรต้องไม่น้ำขวด ไปให้ไปสวนเนียวหน้ามเจียวใช้กาไปเจ้แก้อนเนี่นนนกินยูให้ยูวนหน้ามันค่ยกินได้เจานี่กินอะไรหอกเงี้บอ่ะนะไอ้ไปผักกูดผักงอมกินว่าอะไรหรอกลงต้นลงตาป่วยเป็นหลกมาเร่งเน่ยมันชิง <laughs> เจียวกับพื้นแผ่นนิดเนี่ยสีบัวเหยียบดินบ่สีบัวาหายเฉยยุ่นนี่บ่ หรือว่าใชน้ำเนี่มันปฏิเสธไปเลยเขาบริจาเม็ดจังเลยมันก็มีผลกัตกเขาบริจตัวมาจากต้นคนอื่นจัดเทากับมีผลกับตกแดงบ้างน้ำท่วมบ้างทุกอื่นจัดทุกอื่นเฉดหยาบริดมัน้องอยู่ของนั้นคนอื่นจิ้ว่าเป็นของ่วนตัวยึงบอกกันตะโกนบอกกันทีดังไม่เที่ง หลงตครับรถไปบ่อม่งขับนะนั่งหนารถ <c oughs> เออ ม, มาเออมาเ้อมาเบิ้งเออพีนอ่น้องมาเนาเลยเอาเ อ, อยู่จังได้เดีย๋ยววางาทิตยเดือทีท่ไ ต, ต้ดูผู้หังรหล่นหมดแล้วสู้หลังเจอจังได้มาเบิ้งใส่กันปลาใหม่ลองให้ไป ย, ยิ้บ่ไปยินบ่ปลาใหม่ลองให้ี ย, ย่งลองให้ตนตัดทำลายไฟปลาใหม่ พี่นั่งน่ลองไห้เป็นเช้หลวงโคกันนี่เ ล, แ ม, มลมแม่น้รมป่วยเหมนเพนดินเป็นนมผาดบ ม, มีคิว่าเลยเพนดินตายไปแล้วอากาศเป็นพิษดียฮะยูดินดินนี่นยูกับน้ำบัวฮั่ยูกับอากาศบัอถะท่บอกก่อนอีกอันนึงพอเห็นกับตาเอารถไถน่ะใส เทีนเลิศใส่ถังอ่ะกับมอกโซนเขาชีเด่ยวเเป็นล่างในห่วยไวหน้าในตุมตอมตุมตอมตุมต่อมปัดทคนล่างถังยา้กมอกโซนยู่ในน้ำเลยใส่ลงไปก่อนก็เลยต้องมีท้าแม่ตาบอกกันอันบอกแต่บ้านทาไ้บ้านเท้าอยูบ้านใหม่บ้านไดป่วนบ้านประหยัดป่นร่ำประเท่าป่วนต่อรื่นท่อหุนลงห ก, กิโลต้องกระต่ดอ่ะมันจักประมาณนะ่ยมันหลายต้องแบบตามยุ่นี่หลวงพก็บอกอยู่งานอื่นบาเดียวร้อยเกิดทาไมตากันมาเป็นงานี่จุทายบ่แมนเหตุเพื่ออยากดังได้อายคนอยู่อย่างนึงก็ไรเพราะว่าต้องตาบ็มีงานเส่นบ่มีจังไดปีนี้ว่นเดีรวมเนอะทาไมตากีไปี้ไปเสียไ เยอะยูยูครับยูยูอ่าดูแลประเด็น <c oughs> <c oughs> เ อ, อมีงานอยู่นะแล้วเออทำมาหยาดตา10ปีเมื่แล้ว่ะครับหลวงพ่อคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงที่เฮ็ดตอ้อบอสหรือที่ใครผู้อื่นเฮ็ดหลวงพ่อแต่ไม่ได้ว่าปีตปอ่อไปเนี่ยเฮ็ดต่อไปดีเพราะว่ามันก็นมีประโยชน์ทั้งปีนี้เพราะก็บหมดลงในแล้วก็มนก็นสำนึกเกินมา เห็นเถิเห็นไพ่ต่างคนต่างละวัดระว่างเพิ่มเป็นว่าเก่าอยู่พวดเด็ต่อไปพ่อเนี่ยก็เห็นน้ำบ่อยแล้วเท่าเจแล้วแล้วแต่อาศัยอาจารย์ไพศาลเป็นรวมน่วนกัําำยัิต า, าประสานงานก็เด็กหลักนกอาจารย์สมมตกว่าสะอบอกไป เดี๋ยวนี้มันทั้งมาตาเดี๋วนี้หรอกมันไปฮอดไกลแล้วทั่วประเทศแล้วไปทั้งแม่ตาฮอดเขาไูหวังผลเช็มนมาถ้ามาตราทะเลสาบสงขาไปไหน่ะเลจาบสงขามีปัญหาันาะกัมพูช์มังคพนะนะ อ, อไปเดินอยู่เพื่อปีนีปนนะ้ประกาศเพื่อเพื่อเพ่อทเสบสงข า, านะไไนมันมีทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้ วันเหตุการณยเกิดขึ้นโลลนรคร้นทีนี่หลายประเทศปลูกอ้อยไม่ได้ตาดวัาอ้อยทีมิลลคาท่าหลังหลกวันร้อนเห็นว่าหลกมันร้นอนบรสมดนเดินในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิมมหน้าเดี๋ยวนี้พวกทางไตกำลังสืบเกินมาสื่อที่ใช้นเมนที่ว่าเหตุสวนอย่างลย ผูม่ดีใช้ผู้อื่นเฉพาะขายเล้วของบางเราเนี่ย ب, ประเทศติวตาต่ายคือใช้พู่เนีเฮาแข่งนใช้พู้เื่แล้วอาจารย์บอี่สัแล้วไปขายบาอบ อ, อย่งไพี่น้องเขาอยู่มันอยู่วัอะไรวันอื่นนะ่ะนาอ้ร ว, ราวางรนะวังเซนเด้แน่นอนว่าท่านหลวงพ่ออยากส่วนส่วนพ้นเข่ามา ยางธรรมญาตาหรือว่ามะเฮตทรรมญาตอนพอดีส่วนข้าเจ้าจังใดครับข้าเจ้าขอมารวมยางจังไทบ้านจั ง, ะจะงคนนี้อย่านี้จะนีเป็นปากเป็นเฉียงเป็นหูเป็นตาแขงขาสติปัญญาซอยกันคนไทยทั้งประเทศย า, าเสมาว่าเจอนีไม่ว่าวิเวรแหลาย่อนยุวันไหมาใดว่าซกันยาว่าทั้งมาตาว่าทั้งปรชาจารวัดปลาจุกโตตันี้ยรูหลงตัวเนี้ยว่าหลาย กระจายออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าพูดต้งข้นที่มาลองแนนิวไก่แถบพื้นดีนนี่ยังมีน่อยอยู่ต่มาบางคนมาทั้งเดือนอาสาสมาัคร น, นั่งบมีมมเพิ่มจำหนึเท่าติคนเอาก็ะเทีสุดก้มสมารแย่ท่ถ อ, อยเต้าโบยางเอาไปจุดกดเต้าโบหมอนหอกแท่งโบลันนะ เดี๋ยวนี่กับมิตรโปร้ชื่อละเอเีดก็ได้อาศัยอะไรนะกับนไลกับที่หวังพึ่งหลวงพ่อครับว่าธรรมญาตาเอยงั้นดูแลธรรมชาติท้งเขาก่ค้นสไลกับที่หวังหวังพึ่งหลวงพ่อให้หลวงพ่อเป็นเป็นตัวรักเลครับเอรักเลยกัยนก้องอันตาแล้วมันตายแล้วก็มันเดินไม่เสียงเดินได้ยู่ <c oughs> มันไก่ตายแล้วตายแล้วมันขึ้นไ อ, อั น, นี้ว่เป็นดายก็ดอกท่านสมัยอยู่ลาผู้ใดผู้บางรรมชานมันลาสมัยละทังหม น, ะนี่เป็นดินมี่น้ำวิทากาศาากกก น, นี่พาเอาโเจงดนะอกอันี่เผ่าเจงเน่ยเอมาเาเจงนียเดี๋ยวนี่มันเอาเจีงก็ทรรมชาติมันจะยูรอดแล้ว น่มันเป็นกระลางุมม่มหัวอยู่น่ไม่ว่าเขาเจยงจังไงลองตาไปดูหนังโลกที่สหรัฐอเมริกาหน้าร่องให้เป็นดินไม่มีโลกเพไม่ผุดโฉยมีแต่คนทำลายดีก็าบางังหนังอ่าอนังทั้งหมดหนังโลกเนี่ยโอ้เสียใจสงสารโลก ลอลมเพราะนั่นเน่ยฮักมันกระทั่งเม็ดหินเม็ดใช้กว่านอ้อย่าไปฮักแต่ลูกเนี่ยจะของพแมันที่นองไอ้เมฆวงวงให้ไฟสันออสฮักเป็นดินเม็ดใช้ฮักอากาศยาทำลายเจงคอยอยืหลอดเหมือนพกเจ้าเป็นยอดนักหลับจะคอยย่หลอดอะอันรัก บ, เบ่เป็นอ่ะบ่เป็นอ่ปมัญญาอ่ะมันเฉพาะเรื่องหมด ให้ทิ้งแผนด้กระบาดทำลา ย, ลยอะไรตานนั้นตามทําไม่ได้คนเดียวภิกษุขุดเองก็ดีให้คนอื่นค็ดีซึ่งแผ่นดินต้องป่าจิตต <c oughs> ิอันมากก่อนมูลแล้วภิกษุผ้าของเขียวที่เกิดอยู่กับที่ให้ดูจากที่ต้องป่าจิตติหมายถึงแผ่นดินหมายถึงต้นไม้ไหมวะภิกษุม่วนเชิดลวแต้วจระปัจวะลงในน้ำต้องป่าจิตติ ที่สุนโวเฉลาสายอุศระปัสสะตรงในของเขียวต้องไปติดนี่กนหมายบอกมาจากนี้เลยตพรนั่นนี่มันมีมาโคนผัวโจ้ต้องไปในของเขามีมากรอนแล้วเพราะนั่นเป็นสอนหักแผ่นดินหักอากาศหักฝนไม่ไปทำาะไรได้่ะถามหลวงพ่อเลยที่าม่ามเออ ถามมั้งจู่วะอันนี้เป็นต้อนหนังเน่ยคนลมไมนี่ยมันยั่อนไหนครับลงพ่อฮะ <c oughs> อันนี้เป็นต้อนหนังนี่ประโยชน์ยังต้นกอครับฮะเป็นครับเป็นกอวะครับกอเป็นวครับแล้วกกินกินได้กินก็ได้ไดอครับีกอีน้อยนึงครับพอดีเพิ่นถามครับอไอเรื่องว่าไอ เป็นอย่างจังเป็น ค, คนดีมีตัวแทนที่หลวงพ่อบอานะครับว่าตัวคนดีมีสสมีนายกมีอย่างเป็นตัวแทนนะครับแทนเปล่าเรื่องปรปราาเรื่องขอ เ, เป็นตัวแนทนของธรรมชาตินะครับว่าเป็นนี่อ๋อหลวงปูประกาศธรรมยุตตาบอกว่าเอื่นใช้วันมาเบังธรรมชาติผูเขาความใ้แม่น้ำไม่ผู้ใดเป็นตัวแทนธรรมชาติ อู้องขอต้องเมตตาขอเป็นตัวแทนธรรมชาติคนเฮามีสโสสวอเป็นทับตัวแทนเฮ้าเอางบประมาณมาซอยคนต้นไม้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยบรผู้ซอยคนที่เสนอเฮ้าเนี่ยไม่เป็นตัวแทนของเขาไฮวาเรื่องเขาแนะอาณาจักรเขาอยู่ยังไงมีปูมียามีปูมีถวดมีพ่อมีแม่มีป้าไมีลูกมี ลูกวิหลานแมนเวิดไปบังในป่านะ่ยต้นไม้ต้นแท้เนี่ยมันก็ซอยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็ดูแเลอะตัวมาหน่อยซึ่งามขโมนเนี่ยน่าเนื้อขมชาติเนี่ยนน ม, นะมันยิ่งใหญ่ที่สุดยังล้องตาไปเข่ากับเนื่ยหน่อยที่ซำเน้ น, านาพยายดูดร้อนที่พายไปใหญ่เมนูพายรอไข่อ่า กันลักของปลาไปหนึ่งจำได้ป่าวหนึ่อนกินได้สองรากบมรุนดินสามลำใช้งานน่นเห็นบ่เรามันผู้ใดไปช่วยมันแหนมันไหนคนใส่อยู่เห็นสับน้องหมไม่กินหัวจักบ่เขาไม่เจ้าชาของเขา ไม่นอนตาเตาไม่นอนนั่งดินอายะเอานอนั่งดินอจัดนอตาเตานั่นมันบอกมันแบงเนี้ยเอาไปกินซะเด้ออันนี้ให้ไว้เป็นลูกสืบตระกูลโตป่อยข้นโมโรตัดโตตัดตที่มาเป็นเด้อไอประเทศไทยเนี่ยผู้ใดจะมีก่อไฟหลายกอโชกุตโต้เขาก็ใส่อ่า ยากเดี๋ยวกรุงเทพนะที่สุดท้ายครับลวงพ่อคำถาสุดท้ายแล้วครับนะคำถามสุดท้ายครับที่หลวงพ่อว่าธรรมญ า, าตาเป็นงานชิ้นสุดท้ายหลวงพ่อเป็นใดครับนะงานธรรมญาตตอนี้มญตาเราม่นปัญญาเช่นเดื อ, อ น, น, เ, นเดือนต่อไปบดตอนนี้หลวงพ่อคิดแต่ตอนนี้ขันบอกอย่คนรู้จักบัดทุกคนแล้วขันโบ ปฏิบัติธามที่มันเป็นเท็จเป็นจริงเลยนะมันก็สุดเท่านั้นบอมีปัญญาที่บอกกันอยู่นี่ยังแจ้งแจงสุดอยู่เท่านั้นครับผนนู้ใด พ, พูดอะม่ปัญญาเฮตอ้อกันไปเฮตอ้อกันไปสำหรับปัญญาเกิดถ้าไม่ตากันมาชื่อนี่มันเกิดจากอันนี้ละน้องตาเคยนีการทึกษ่ายแชบๆปอยหญปอก่วงไง ตู้จะพอมันอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันก็เห็นธรรมชาติตามข้อมีจริงจู้ใจกันจู้ใจกันเห็นประโยชน์เห็นโทษเพราะนั่นเนี่ยเลยมันก็เลยค้นเคยมาบ้านเขามาวัดหนึ่งมันกับอยู่บ้านพอบ้านแมเนจ้าของไปอยูบ่บันเดือนว่ามีปลาไม่ลงเน่ยโอ้ยหายแจกไยิ่อ่าจึง ไอ้เป็นหนมอโดของหลูกของหลานเท่าจงไดจังได้ก็รักษาเช่วกันแน่ยาปอกทีเอมเบ้าเท่าถัวของคนเดียวโดบมอรักษาไว้ธรรมชาติเนี่ยอย่่ในหนีมีหัวยาสมวนไพรนี่สรพัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นผลของทําลาร่ ปลาใหม่เป็นปลาพงปลาเี่มันบอกคือปลาอื่นเป็นปลาเขดว่าปลาดิบร้อนแม่นวะปลาดิบร้อนตรงนี้ถ้าตัดแล้ววัวมีรดจริงถ้าไผ่ใหม่แล้ววังงอกกันเองเงาว่วมีตายหมดมันก็เกิดอย่าฆ่าปลาพงกันมาเราขึ้โคกโกกวัวมีห้าแก้วไหม่เนี่ยนีวัวมีห้าแก้ว ว่นที่ซอยม no <laughs> ันนน่ะไม่น anyway, <laughs> ่ะ <Restaurant> อ <laughs> <us> ่อนดเนใหม่ปดิบอดบ่เปนปลาดิบชื้นบ่ไม่หากแก้วไฟใหม่ตายไปเว้บ่ต้องจ้างคนมาโครเงาใหม่หรอกมันเน่าไปหลดพอไใหม่ปลาไปไถเงาูปัปัเนี่ยเอ้ปลูกต้นใหม่นะปลูกต้หม่นี่เลยคุยได้ว่า เราพอปยอยู่ลงระบาน ป, ป่วยเบิดเงินเป็นล้านล้านรัฐบาลเราเสียภาษีก่อนพ่อนเข้าขขทุกคนนะ่ะเยียภาษีก่อนในรัฐบา ล, ลรัฐบาลเอาเงินมาซื้อยามารักษาลงก่อนเบดเป็นล้านล้านเราพอเฉียบงนันได้มาปลูกใหม่ใช่ไหมอีกสามที่ผีม า, าขายขออกเด้อเน่ยตวนละเมินละเมินแสนตวนแสนตวนเงินเท่าไดฮะ หาเสร็จเมือม่อเนี่ยเมื่อหานิ่วโอ้โเนี่ยเขาก็เฮ็ดขึน้นมาแสงสีไปอยู่ซื่อจังไงเฮ็ดได้อยู่นีปากกระวโาได้อยู่เหยาเศร้ากระโโบอยู่ว่เศร้าอ๋องีมื่อเฮ็ดไปนี่น้ำคิดน้ำใจเฮ็ดกันไป อันว่าบอกเพื่ม า, า, าสอนโลกสอนหลานเน่าแล้วปลูกไห่ก็ฝังกินปเป็นแน่เดี๋ยนี่พิกยุ้ย่เหนือเก อ, อยุ้ยแห่ไต่หยช่ค่อยอยุย่ยแหนเบินเบ้นมันบะแมนแอมยุดเฮ้าหนีจะบนไผ่ไกลตัวจีสางว่าสางเฮี้ยนกับปลูกทำไมจะกังไยสางดูไม่หลาน เฮ็ไวเนี่ยหลองหลองตาคุ้ยกับชาวบ้านว่ะชาวว่านปลูกมันปลกูปลกอ้อยนับจากนี่ไปสามสิบปีในไทมันในอ้อยสีรังเงินไหลไนไดนหลองตาบอได้ปลูกมันปลูกอ้อยหลวงตาปลูกความหม่นับจากเมื่อ น, นี่ไปอีกสามสิบปีมันับเงืนเท้กันดูไม่หาเศษต้นเนี่ยไออุนตนน้ น, ตนละเมือนละเมือนเะอ่า ใช่ไหมวะใช่ฮะได้ลองจ่ามีแต่กระ ด, กดูกแล้วขายแล้วทั้งสภาสามสิบสี่วิเชยครับสองยีวิวนิบก้าวปีวนั่นอยู่ครับโตก้าปีได้เงื่อนขาวต้นละเมือินอเลยเดี๋ยวอันนี้จะสามสิบปีแล้วแก่ปีพี่ดิันิ ก, กนอะไรครับหลวงพ่อฮิโด แต่เเดี๋ยวที่ขอไยให้อย่าเอาไปโคชนะออกดังไม่ไม่ไม่ให้บันดังนะครับวัดส่วนนึงกัที่ไปฉายแค่แล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแต่ไปหวัดใครขาเลือเลือน้อยนึงจะว่าอย